กลัวความมืดกลัวาพายุกลัวสิ่งต่างๆที่อยู่เหนือความเข้าใจหรือความต้านทานของคนป่าเหล่านั้นและวิธีที่จะหลบหลีกอันตรายก็คือต้องแสดงอาการยอมแพ้หมอบกราบอ้อนวอนบูชาแม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดในสมัยนั้นก็เห็นว่าจะต้องทำตามที่ตนนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีเหล่านั้นจะชอบใจนี่นับว่า ศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกด้วยอำนาจของความกลัวและมีการปฏิบัติไปตามความกลัวความกลัวของคนชั้นหลังๆเลื่อนสูงขึ้นมาถึงกลัวความทุกข์ชนิดที่อำนาจทางวัตถุช่วยไม่ได้เช่นความเกิดแก่เจ็บตายความหม่นหมองมืดมัวเพราะอำนาจของความอยากความโกรธความหลงผิด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 หรือเอาชนะความอยากความโกรธความหลงผิดให้ได้นี่นับว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาที่สูงขึ้นไปในทางปัญญาในที่สุดก็พบว่าวิธีที่จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายหรือเอาชนะกิเลสต่างๆได้สำหรับพระพุทธศาสนาก็มีมูลมาจากความกลัวแบบหลังนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้า เป็นผู้พบ ว, วิธีที่จะเอาชนะสิ่งที่คนกลัวได้เต็มตามความประสงค์และเกิดวิธีเพื่อดับความทุกข์ชนิดที่เรียกว่าพระศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้เพราะพุทธแปลว่าผู้รู้คือรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้น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 ที่จะทำให้สําเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะทําอะไรได้ประโยชน์ที่ควรได้ก็จะผ่านพ้นคนโง่ๆที่มัวแต่นั่งคํานวณดวงดาวในท้องฟ้าไปเสียสิ้นดังนี้และว่าถ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ําคงคาจะทําให้คนหมดบาปหมดทุกข์ได้แล้ว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 แม้พุทธศาสนาก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้คนเราย่อมเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเพราะฉะนั้นความจริงหรือสัตวจะสำหรับคนหนึ่งหนึ่งนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาเข้าใจและมองเห็นเท่าไหร่เท่านั้นเองสิ่งที่เรียกว่าความจริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราเข้าถึงปัญหาหนึ่งหนึ่งได้ตื้นลึกกว่ากัน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 ฉะนั้นถ้าจะเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนาก็จะเกิดความคิดเห็นต่างกันไปทั้งนี้เพราะพุทธศาสนาก็มีอะไรอะไรครบทุกอย่างที่จะให้คนดูดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพุทธศาสนาคือวิธีปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากความทุกข์โดยการทำให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้ทำก่อนและได้ทรงสอนไว้แต่คมพีทางาศาสนานั้นย่อมจะมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นได้ทุกโอกาสที่คนชั้นหลังเขาจะเติมลงไปพระไตรปิฎกของเราก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกันคนชั้นหลังๆเพิ่มเติมข้อความเข้าไปตามที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับยุคนั้นๆ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 การจัดสำรับขาวหวานผลลหมากรากไม้เพื่อเส้นวิญญาณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าถวายข้าวพระเป็นต้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทบางพวกก็เข้าใจว่านี่เป็นพุทธศาสนาและได้สอนกันถือกันอย่างเคร่งครัด พิธีรีตองต่างๆทำนองนี้ได้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นมากมายจนห่อหุ้มของจริงคือความมุ่งหมายเดิมให้สาบสูญไปขอยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องการบวชนาค ก, ก็เกิดมีพิธีทำขวัญ น, นาคเชื้อเชิญแขกมาเลี้ยงดูกันอย่างเมามายเอิเกระเริก ทำพิธีทั้งที่วัดและที่บ้านบวชไม่กี่วันก็สึกออกมาแล้วก็กลายเป็นคนเกลียดวัดยิ่งไปกว่าเดิมก็มีนี่ขอให้คิดดูเถิดว่าสิ่งไม่เคยมีในพุท ธ, ธาการก็ได้มีขึ้นการบวชสมัยพระพุท ธ, ธเจ้า นั้นหมายความว่าบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาแล้วก็ปลีกตัวจากบ้านเรือนเป็นคนที่ทางบ้านตัดบัญชีทิ้งไปได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์โอกาสเหมาะสมเมื่อไรท่านก็บวชให้โดยไม่ได้พบหน้าบิดามารดาญาติพี่น้องเลยจนตลอดชีวิตก็ยังมี แม้บางรายจะมีกลับมาเยี่ยมบิดามารดาบ้างก็ต่อโอกาสหลังซึ่งเหมาะสมแต่ก็มีน้อยเหลือเกินในพุทธศาสนามีระเบียบว่ามาบ้านได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและพึงทราบไว้ด้วยว่าพวกที่บวชนั้นไม่ได้เวียนมาบ้านไม่ได้บวชในที่ที่ต่อหน้าบิดามารดาไม่ได้ฉลองกันเป็นการใหญ่แล้วไม่กี่วันก็สึก สึกแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้เราหลงเรียกการทาขวัญ น, นาคและทาพิธีการต่างๆตลอดถึงการฉลองอะไรๆเหล่านั้นว่าเป็นพุทธศาสนาแล้วก็นิยมทำกันอย่างยิ่งจนหมดเปลืองทรัพย์ของตนหรือของคนอื่นเท่าไหร่ก็ไม่ว่าพุทธศาสนาใหม่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายแทบจะทั่วไปทุกแห่ง ธรรมะหรือของจริงที่เคยมีมาแต่ก่อนนั้นถูกห่อหุ้มด้วยพิธีรีตองจนมิดเกิดมุ่งหมายผิดไปเป็นอย่างอื่นเช่นการบวชก็กลายเป็นเรื่องสําหรับแก้หน้าเด็กหนุ่มๆที่ถูกหาว่าเป็นคนดิบหาเมียยากอะไรเหล่านี้เป็นต้นในบางถิน่นบางแห่งถือเป็นโอกาสสําหรับรวบรวมเงินที่มีผู้นํามาช่วยเป็นการหาทางร่ํารวยเสียคราวหนึ่ง ถึงอย่างนั้นเขาก็เรียกพุทธศาสนาใครไปตำหนิติเตียนเข้าก็จะถูกหาว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือทําลายศาสนาอีกเรื่องหนึง่งตัวอย่างเช่นกะถินพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายจะให้ภิกษุทาจีวรเป็นด้วยตนเองด้วยการทุกรูปและให้พร้อมเพียงกันทําด้วยมือของตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าผ้าที่ช่วยกันทํานั้นมีผืนเดียวก็มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าอาวาสแต่เป็นภิกษุซึ่งหมู่สงเห็นว่ามีคุณสมบัติสมควรที่จะใช้จีวรผืนนั้นได้หรือขาดแคลนผ้าที่จะใช้สอยให้เป็นผู้ใช้สอยจีวรผืนนั้นได้ในนามของสง์ทั้งหมด พระองค์ทรงมุ่งหมายจะให้พระทุกรูปหมดความถือเนื้อถือตัวไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยสมผานเจ้าวัดหรือพระผู้ใหญ่มีศักดิ์มีเกยียรติอะไรก็ตามก็ต้องลดตัวลงมาเป็นกุลีกันหมดในวันนั้นเพื่อจะมาระดมกันกะผ้าตัดผ้าเย็บผ้าต้มแก่นไม้ทำสีย้อมผ้าและอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้จีวร น, นั้นสาเร็จได้ในวันนั้น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 แต่เดี๋ยวนี้กระถินกลายเป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอิกรกริกเฮฮาสนุกสนานาพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริง แต่กลับใช้เวลามากเปลืองเงินมากยุ่งยากมากจนกลายเป็นโอกาสสำหรับทำสำเเเมาเลเทมาคือไปทอดกระถินเพื่อกินเหล้ากินปลาเล่นไพ่เฮฮากันอย่างสนุกสนานหรือไม่ก็มุ่งหน้าหาเงินกันเท่านั้นพุทธศาสนาเนื้องอกทำนองนี้มีขึ้นใหม่ๆ ม, มากมาย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 ที่จะทำให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ถูกความหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้ามองด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมเพราะมีการกล่าวถึงบุญบาป ความซื่อตรงดีชั่วความกระตันยูกะตะเวทีความสามคัคคีความเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองและอะไรอะไรต่างๆอีกมากมายล้วนแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นแม้ชาวต่างประเทศก็มองดูในส่วนนี้อยู่มากหรือว่าชอบพุทธศาสนาเพราะเหตุนี้ก็มีอยู่มาก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 เรื่องความไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตาหรือเรื่องการเปิดเผยว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรความดับสนิทของทุกเป็นอย่างไรและวิธีให้ถึงความดับทุก์เป็นอย่างไรในฐานะเป็นความจริงอันเด็ดขาดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออริยสัจซึ่งทุกคนควรจะต้องรู้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 นี่เรียกว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาเรายังมีพุทธศาสนาในเหลี่ยมที่เป็นจิตวิทยาเช่นคาพีพระไตรปิฎกภาคสุดท้ายกลา่าวบรรยายถึงลักษณะของจิตไว้อย่างกว้างขวางอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นที่งงงันและสนใจแก่นักศึกษาทางจิตแม้แห่งยุคปัจจุบัน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 แต่ถ้าเห็นแจ้งประจักษ์ได้ด้วยตาหรือด้วยการพิสูจน์ทดลองตามวัตถุหรือแม้เห็นชัดด้วยตาในหรือยานจักษุก็เรียกว่าเป็นวิทยาศ า, ศาสตร์ได้ความรู้อันลึกซึ้งเช่นเรื่องสุญญาตาย่อมเป็นปรัชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไปพลางก่อนแต่ ก็จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ทันทีสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเช่นพระอระหันต์เพราะท่านได้เห็นแจ้งประจักษ์แล้วด้วยจิตใจของท่านเองโดยไม่ต้องคำนึงคำนวณตามเหตุผลหลักพระพุทธศาสนาบางประเภทก็เป็นวิทยาศาสตร์โดยส่วนเดียวเพราะพิสูจน์ได้ชัดแจ้งด้วยความรู้สึกภายในใจของผู้ที่มีสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอริยศาสตร์เป็นต้นถ้าผู้ใดมีสติปัญญาสนใจศึกษาค้นคว้าแล้วก็จะมีเหตุผลแสดงอยู่ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มืดมัวเป็นปรัชญาเหมือนอย่างบางเรื่อง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 หรือดีกว่าที่จะถือเป็นเพียงวัฒนธรรมสำหรับการประพฤติที่ดีงามหน้าเลื่อมใสในด้านสังคมแต่อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดเราทั้งหลายควรถือพุทธศาสนาในฐานะเป็นศินละปะในที่นี้หมายถึงศิละปะของการครองชีวิตคือเป็นการกระทาที่แยบคายสุขุมในการที่จะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์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 ชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนาในฐานะเป็นศินละปะแห่งชีวิตโดยในนี้เป็นอันมากและกล่าวขวัญกันมากกว่าแง่อื่นๆการที่เราเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนาจนถึงกับนํามาใช้เป็นแบบแห่งการครองชีวิตได้นั้นมันทำให้เกิดความบันเทิงรื่นเริงตามทางของธรรมะ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 ต้องการความบันเทิงรื่นเริงคืออาหารทางธรรมะนับตั้งแต่ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจของผู้รู้ทั้งหลายมีความสงบระ ง, งับในใจชนิดที่กิเลสมารบกวนไม่ได้มีความแจ่มแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรไม่เะเยอทยานในสิ่งใด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 อย่าได้ไปหลงยึดเอาเนื้องอกที่ห่อหุ้มพระพุทธศาสนามาถือว่าเป็นตัวพระพุทธศาสนากันเลย